วันที่ส1ออีกระดับของการเห็นจิตส่งออกนอกและเก็บเข้าในในวันที่สี่ซึ่งฉันสังเกตเห็นจิตรู้อยู่ที่ฐานสติสลับกับจิตไปคลุกอยู่กับอารมณ์โลกภายนอกยื้อกันไปยื้อกันมาจากนั้นฉันก็ไม่ได้สังเกตจริงจังอีกเลยจนกระทั่งวันนี้ เมื่อกลับไปอ่านย้อนทวนทั้งหมดตั้งแต่ต้นเดือนฉันก็ลองเปรียบเทียบดูอีกครั้งเห็นความแตกต่างระหว่างช่วงเริ่มต้นกับช่วงที่สติเริ่มแข็งแรงขึ้นยกตัวอย่างเช่นเมื่อแรกที่ยื้อกันระหว่างเก็บจิตให้อยู่กับฐานสติกับระวังไม่ให้จิตส่งออกไปสนใจเรื่องนอกตัวแม้แต่ความคิดเกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมา ก็ถือเป็นเรื่องนอกตัวไม่ใช่ปัจจุบันขณะในวันที่สอาการของจิตมีลักษณะยื้อแบบลูกทุ่งคือยังไม่ค่อยมีฐานตั้งมั่นอะไรก็ออกแรงยื้อเสียอย่างนั้นจนกระทั่งกายใจดูทื่อๆคล้ายหุ่นขี้พึ่งหรือหุ่นดินเหนียวแต่หลังจากเพียรพยายามตามรู้ลม กระทั่งเกิดธรรมชาติจิตรู้อัตโนมัติหรือที่เรียกว่ามี จ, จิตเป็นผู้รู้กองลมทั้งปวงโดยไม่ต้องจงใจฝืนพยายามแล้วคราวนี้พอจิต จ, จะส่งออกนอกเช่นคิดถึงศัตรูคู่อริก็เกิดความไหวทันว่าจิตยืดออกไปจากฐานแล้วคล้ายอาการยืดนั้นหมดแรงส่งสลายตัวลง กลายเป็นปีติสุขอันเกิดจากสติรู้ลมหายใจมาแทรกแทนสติที่มาแทรกแซงอารมณ์ภายนอกนั้นเบื้องต้นจะเป็นแค่สักว่ารู้เฉยๆแต่ถ้าครู่หนึ่งสติรู้ลมยังอยู่และจิตจำทางพิจารณาได้รู้เห็นว่าลมหายใจเมื่อเข้าจนสุดแล้วต้องออก จะทนอยู่ในสภาพเข้าอย่างเดียวไม่ได้อัดเต็มปอดอย่างเดียวไม่ได้ต้องคายคืนออกมาเป็นธรรมดาดังนี้ก็เกิดองค์ที่สองของโพชอชงคือธรรมวิจัยกล่าวได้ว่าอีกระดับของการเท่าทันจิตส่งออกนอกจะมีการตัดกระแสทิ้งด้วยอํานาจรู้ที่อบรมไว้กลมกล่อมแล้ว เมื่อสติคมชัดขึ้นอีกระดับฉันก็เริ่มสังเกตเห็นความจริงอีกอย่างหนึ่งว่าเมื่อไม่มีอะไรมากระทบจิตก็นิ่งอยู่กับลมหายใจได้เหมือนไม่มีกิเลสแต่พอมีอะไรมากระทบจิตก็เหมือนดีดผางขึ้นเต้นนิ้วทันทีแม้กิริยาทางกายภายนอกของฉันเหมือนยังสงบสุขอยู่ในสายตาคนอื่นก็ตามนี่คืออีกระดับ ของความเห็นจากมุมมองของสติอันคมคายอีกประการหนึ่งถึงวันนี้ฉันได้ตระหนักว่าโพชฌงนั้นมีอย่างอ่อนอย่างกลางกับอย่างแก่โพชฌงอย่างอ่อนนั้นจะเกิดสติได้ต้องฝืนตั้งใจดึงจิตที่ส่งออกนอกมาอยู่กับฐานซะก่อนจะเกิดธรรมะวิจัยได้ ต้องกำหนดนึกอยู่ครู่หนึ่งเช่นลมหายใจนี้เราจะมองเป็นของเกิดดับได้อย่างไรจะเกิดวิริยะได้บางทีก็ถึงกับอึดอัดในอกที่ต้องต้านทานความอยากปล่อยใจออกไปข้างนอกตามเรื่องจะเกิดปีติได้ต้องรอให้จิตเชื่องจนรู้เห็นความเกิดดับของลมหายใจอย่างเดียวสักพักหนึ่งและจะเกิดปัจสัิได้ ต้องให้จิตเบิกบานสักพักหนึ่งกายจึงระ ง, งับนิ่งแล้วความฟุ้งจึงระ ง, งับตามโพชงอย่างกลางนั้นจะเกิดสติโดยไม่ต้องฝืนใจจะเกิดธรรมะวิจัยได้ด้วยความเคยชินจำทางได้โดยไม่ต้องเค้นนึกจะเกิดวิริยะได้ไม่จำเป็นต้องออกแรงฝืนจะเกิดปีติได้ง่ายขึ้น และจะเกิดปัสจุบันเกือบพร้อม ก, กันกับที่รู้สึกว่าจิตเบิกบานกายระงับนิ่งเกือบทันทีในหัวไร้ความฟุง้งกลายเป็นความสงัดส ง, งบเหมือนผิวน้ํานิ่งเย็นโพชงทั้งสองระดับนี้อาจผลัดกันอยู่ผลัดกันไปหรืออาจจะหายไปหมดด้วยกันทั้งคู่อีกประการหนึ่งต้องไม่ลืมด้วยว่า ทั้งอย่างอ่อนกับอย่างกลางที่ฉันกล่าวถึงในเดือนแรกนี้มีลมหายใจและอิรยาบทเป็นราวกะฐานสติอื่นๆฉันยังเข้าไม่ถึงฉะนั้นพ่อชงอย่างแก่เป็นอย่างไรอันนี้ต้องรอดูต่อไป